ถ้าเกิดมาไม่อัตคัดขัดสนเกินไปแสดงว่าคุณทำทานมาใช้ได้และถ้าโตขึ้นไม่ล้มละลายไยไม่ไม่บ้านแสดงว่าคุณรักษาศีลมาพอใช้เบื้องหลังความรวยความจนไม่ใช่เกิดจากความบังเอิญเกิดที่นั่นที่นี่แต่สัสตว์โลกย่อมเป็นไ ป, นปนตามกรรมทุกคนมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นผู้จาแนกชั้นวันนะ และความร่ำรวยก็บันดาลขึ้นจากความสว่างของทา น, นาจิตและศีลจิตเท่านั้นบวกกับความฉลาดในลู่ทางหาเงินในปัจจุบันไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกเหนือกว่านี้กรรมในการให้ทานสิ่งได้มาจากการให้ไปคือใจที่อิ่มเดี๋ยวนี้และพบใหม่ที่เข้ากันกับความอิ่มใจในภายหน้า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 ถ้าทำทานด้วยความโลภในบุญทานนั้นก็มักมีผลน้อยหรือให้ผลช้าเนื่องจากความโลภเป็นของหนักนอกจากทำจิตให้ทึบไม่ปลอดโปร่งเป็นกุศลเต็มที่แล้วยังบันทอนกำลังบุญหรือหน่วงเหนี่ยวไม่ให้เกิดผลเร็วอีกด้วยกรรมในการรักษาศีลมีคนอยู่จำพวกหนึ่ง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 แต่ก็ต้องร่ำรวยล้นฟ้าขึ้นมาด้วยความวิริยะอุตสาหะอยู่ดีไม่ใช่รวยขึ้นมาดือด้อๆโทษฐานที่เคยทำความลำบากให้คนอื่นไวมากคนยุคนี้มักมองว่าพ่อค้าที่ค้าสัตว์ขายก็รวยคนคโกงบ้านเมืองก็รวยคนเป็นซูดะ ก, ก็รวยคนลวงโลกก็รวยคนกินเหล้าก็รวยแถมอาจจะรวยระดับประเทศเสียด้วย ในชาติที่บุญเก่าเลี้ยงไว้แบบจะให้สบายตลอดชีวิตก็าอาจลอยหน้าลอยตายิ่งใหญ่ครับฟ้าไม่เลิกแต่หากบุญเก่าไม่ได้สั่งให้ต้องสบายแน่ๆไปทั้งชาติน้ำลดเมื่อไหร่ตอก็ผุดเมื่อนั้นเช่นอาจต้องเข้าคุกในบ้านปลายชีวิตแล้วถ้ามีสิทธิ์กลับมาเกิดใหม่ในแดนมนุษย์ก็อาจหน้าดาครามเครียดกับความยากจนตั้งแต่เกิดจนตาย ความฉลาดในลูกทางหาเงินคำแนะนำที่ดีที่สุดคือประกอบสมมาอาชีพอย่าหวังรวยทางลัดขยันขันแข็งให้เต็มกำลังไม่ใช้จ่ายเกินตัวรู้จักเลี้ยงดูลูกเมียและบริวารให้อยู่ดีตามอัตภาพรวมทั้งรู้จักแบ่งเก็บหอมรอมริบก็เป็นตัวแปรที่จะทำให้ฐานะการเงินของคุณขยับขึ้นได้ เมื่อประกอบอาชีพสุจริตมีรายได้มาก็ลองฝึกที่จะเผื่อแผ่เชื้อจานได้น้อยก็ทำน้อยแต่ขอให้มีใจใหญ่เป็นหลักก็แล้วกันคุณจะพบด้วยตนเองว่าการให้ในแต่ละครั้งนั้นมีปรากฏการบางอย่างเกิดขึ้นกับใจตนคือเบาลงเรื่อยๆยินดีมากขึ้นเรื่อยเลื่อมใสในการให้มากขึ้นเรื่อยถึงตรงนั้นต่อให้ไม่มีผลตอบแทนเป็นรูปธรรมใดๆ ใจคุณก็ไม่รอแล้วเพราะอิ่มสุขอิมปิติอยู่เดี๋ยวนี้แล้วพอถึงจุดของความชอบให้ชอบช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนนั่นแหละครับความช่วยเหลือจากธรรมชาติจะเริ่มไหลมาเทมาคุณไม่อยากได้ก็ต้องได้คุณไม่อยากรวยก็ต้องรวยเพื่อเอาไว้เป็นทุนทําทานเรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวต่อไปไงครับ